ข้อสามสิบนะครับหน้า1้อยเจ็ดสิบสามแลข้อสามสิบทิสุรูปใดสำเนาการนั่งในที่รับอารำพังกับทิสุนีต้องอาบัตปาจิติีความจริยสีขาวก็ได้บรรยายกันแล้วใช่ไหมเกี่ยวกันั่งรับกับผู้หญิงเนี่ยเราเคเจอที่ไหนแล้วนะครับในอนิยตในอนิยตนะครับตรงนั้นนะ มันจะมีนั่งที่รับตากับนั่งใที่รับหูนะครับในที่นี้หมายถึงนั่งในที่รับหูเฉยนะเพราะว่าถ้าในที่รับตาเขาจะมีคําว่าหน้าอัสนะกาบังนะครับแต่นี่ไม่ได้พูดคํานั้นนะบอกว่านั่งในที่รับหูเฉยอันนี้หมายถึงในที่รับรับหูที่ที่รับหูเป็นยังไงครับเห็น่ไม่้ยเห็นแต่้เเขาพูดอะไรเราก็่ได้ยินอะไรในคือในระหว่างนั้นอารักษนีเท่าไหร่ ที่อยู่แค่ออสอ ง, สอ ง, ส, องสองนะครับครึ่กโลได้ไหมอุ้ยไกลอ่ารึ่งกิโลกลเกินสองสองนี่ก็ใกล้เกินครับกี่สองครับสิบสองนี่ไกลจะหน่อยครับสิบสองหกสองครับแล้วมีหกสองนั้นนะครับไม่มีที่สุดอยู่เลยจริง สิบสองสองนี่1 2ล่าสิบสองสองมากหว่าหงแม่ใช่นี่ยังสิองสองนะครับสิบสองมันใกล้หูนะสิบสองสองผู้ผิดนะครับคุณลักษณนสองสองของแม่น่ะไม่มีใครอยู่ไร้อยู่เป็นแค่สองสองนะแต่ถ้าที่รางหูน่ะถ้ามีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็อยู่อยู่ใช่หก็สามันกันอาบทได้ใช่ครับต้องรอตาไม่บอดหูไม่หัวด้วยใช่ไหม ตายบอกไม่หนูครับเป็นจากการอ่าปากได้แต่อันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะอยูแค่สองตอสองตาอมพังนะครับอย่างเงี้ยี่สุกัีุ่นีอย่างนี้นะแล้วนี้ก็ต้องทำปากตาจิตตีขาบนนี้มาดูต้องมันให่นะครับต้องมั่ี่ยังเข้าใจยีนะเข้าใยีกันะบกัมพายาเก่าเนี่ยเขาหวเข้ามาแล้วก็ยังเหมือนกับคุ้เคยเปนอย่างไรเรื่อมเ ข, ข, ข้าใจยี โดยสมัยนะั้นเมื่อพระพุทธเจ้ากระทับอยู่หนัาพระเชตวันอารางของอาถรรพิก า, า, ข, าข้ามปารีเขตพนครสาบถีคราวนั้นปุรานัสติยิกาและพลายากรของท่านเพ้าอุทายีได้บวชอยู่ในสำนักพิสุเีนางมาในสำนักท่านเพระอุทานีเนืองๆแม้ท่านเพระอุทายีก็ไปยังสำนักนา น, นางเ น, น, น, นืองๆไปย่างคุ้นเคยแต่นะสมัยนั้นแล้วท่านเพ้าอุทานีได้จัดการนั่งในที่รับ กับพิจุนีนั้นหนึ่งต่อหนึ่งเข้าไมา่สองต่อสองภาษาไทยนะหนึ่งต่อหนึ่งตรงตัวเลยนะครับบรรดาทิจูพูดมาหวาสันโดแต่ก็แพ่งต้องเตรียมัท น, นาว่าฉะนไหนทานพระทานยีผู้เดียวจึงได้งไงทันหนกัรทนไที่เล่ากับพิจุนีผู้เดีย ว, วแล้วกับมุนระดับมมาภาคเจ้าพุทโธก็ทรงสอบท้าทรงเตียมผู้ทานยีและก็เบียสขาบุนี้ขึ้นมานะครับคําว่านังนที่นี้เอาอิริยาบถนอนด้วยนะ นะครับปัญญาบน น, น, นอนด้วยนั่งทั้งสองนอนทั้งสองหรือว่าคนหนึ่งนั่งคนหนึ่งนอนก็ได้แต่ต้องเท่านั้นนะครับใครจะนั่งก่อนนั่งหลังนั่งพร้อมกันเนี่ยนะก็ต้องแบบไปดีเท้งนั้นนะครับไม่พ้นจะไม่ต้องระบในกรณีไหนครัไม่ต้องแบบกรณีไหนแบบว่าสองกับสองแหละไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยแต่ไม่ต้องรอะเบิดลักษณะไหนบ้างครับคือ ที่สุกยืนที่สุกยืนก็ไม่ต้องอาบาัน <c oughs> ดนะอันนี้ถ้าเอานั่งเอานั่งอะไร น, นอนด้ว <c oughs> ยกั น, นเลยก็อยากนอนเอานั่งดีกว่านั่งในการตรงนั้นนะครับก็ไม่ต้องอาบาัดที่ละด้วยซึ่งไม่จ้องบาบัดใช่ไหมครับเอาที่สุกนะเข้ามไม่เกี่ยวครับไม่พ้นนะตานั่งกังอีเข้า น, นั่งตรง น, นี้หรือแม้แต่เข้านอนก็ต้องอาบัดลักษณะไหนไม่ต้องอาบัดนะครับ ไม่เอาเอาเอานั <se participar various í> 네่งนั่งกันนอนเนี่ยท้งสองคนนั่งกันนอนแหละนะอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจที่จังสติเลยนั่งตรงนี้จังสดิเลยแม้นั่งกับผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับวิธีเลี่ยนอาบัติเกิดล้วเลาสุาษิตคนเดียวผู้หญิงเมาคนเดียวอะไรเงี้ยนะเราจะทําใจยังไงแบบไม่ต้องมาคนนี้เลิกไม่ออกคําเนี่ย พอหนึ่งนะไว้ตอบปณิจำเนี่ยสนิทอะไรได้เขาตอบเข้าไปใหม่อันนี้หมายความว่าออ่าวเนี่ยนะค่แนได้ค่านิสูจไม่ได้มุ่งที่รับคเราไม่ได้มุ่งที่รับไม่ได้ใส่ใจว่าคือเราไม่ได้มุ่งที่บ่าคือความมีเียนะ ไม่ด้ยินดีว่าโอ้เราอยู่กัผู้หญิงสองต่อสองไม่มีการขวางขวามีใครนั่ยินดีถ้าไม่ได้ยินดีอย่างนี้นะทําไมได้มุ่งที่หนักเลยที่อยู่สิ่งสองต่อสองไม่ได้มุ่งไม่ใส่ใจแสดงําอะไรก็สารหน้าที่ไปที่ับอย่างนี้อันหนึ่งนะครับและอันนี้ก็คือนั่งส่งใจเป็นอารมณ์อื่นนะครับเราจะปลารุกกรรมฐานก็น่านะไม่ได้ใส่ใส่เสียสิ่งคนนี้นะครับนึกฟุ้งสายอะไรผูเรื่อยเฉยนี้นัแล้วแตกนะครับเนี่ย เป็นอารมณ์อื่นนี่จำไว้เลยอันแรกเนี่ยมาในมุงที่นั่งที่สองส่งใจเป็นอารมณ์อื่นนะครับนี่ยันะไม่ต้องบัง น, นะครับและข้อนี้อยู่ที่ใจด้วยนะที่ใจด้วยนะครับอันนี้ก็จบแลับคำที่บายที่เหลือก็เป็นทวนในอานี้ยอนอเหมือนกันนะเอาแปลมาในห้องเราเนี่ยไม่รี้สูกขึ้นไปใช่ไหม พี่พุธก็มีไปเนี okay ่ยก็มีพ yeah, okay ันเตเรนชอแล้วก็ผมนี่ครับผมพันเ้ไปครัเนี่เป็นพันเต้ครับเรนชองแล้วก็ผมสามลูกโอ้ยหรือแกจะเสียใจครับข้อถอนกันเยอะนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในค้าที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามทวนันของพระสมมาสมพุทธเ้า จงเก็บทั้งหลายทูท่านทุกท่านเธอ